จากชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งมียาติธรรมเล่าให้ฟังว่าได้ไปฟังพระอาจารย์ไพศาลเทศธรรมะในหัวข้อเรื่องตายทั้งทีตายดีให้ได้เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังเล่าใฟังว่าท่านเทศหัวข้อนี้เออผ ม, ผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหัวข้อที่มีความหมายดีมาก ในท่าสนคของท่านประจารยไพศารท่านพูดว่าอะไรผมก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทราบครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วนี่คิดว่าคนเราเนี่เกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกๆคนมันหนีไม่พ้นเรื่องความตายแต่คิดว่าถ้าเราไหนๆเราต้องตายอยู่แล้วเนี่ยไหนๆก็อยู่ไปได้ไม่ตลอดจะต้องตายอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะให้ตายดี ให้ตายดีให้ได้เนี่ยมันจะทำยังไงตรงนีสคัญมากนะผมคิดว่าคนที่ตายดีเนี่ยคือคนตายแบบไม่ทุกข์อันนี้ข้อหนอึ่งแล้วก็มีสติไม่หลงตายนนี่ก็อีกข้อห น, นึ่งอีกข้อห น, นึ่งก็คือตายด้วยจิตที่เป็นกุศลเพราะว่าสามอย่างเนี่ยคิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับคนที่ จะต้องตายทีนี้ว่าเราอย่าไปรอถึงวันที่จะต้องตายเลยวันนี้เดี๋ยวนี้เรายังไม่ตายเราจะทำอย่างไรอ่ะที่จะให้ไม่ทุกข์จะทำไงที่จะให้เรามีสติจะทำไงที่จะให้จิตใจเราเนี่ยเป็นกุศลไอ้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญก่อ น, ก, อนก่อนจะถึงเวลานั้น อย่างเช่นอย่างเราแต่ละวันเนี่ยเราใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยเราไม่ประมาทมาสร้างกุศลไม่เสมอเสมอเพียงสร้างกุศลกุศลในแต่ละวันเนี่ยเราสร้างไปเยอะแยะไปการมีเมตตาการให้อภัยการมีน้ำใจไม่เห็นแ ก, ก่ตัวนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนของบุญกุศลเหมือนกันหรือการให้ทานรักษาศีลด้วก็ภาวนา อันนี้ก็เป็นไปสําคัญสําคัญที่สุดเลยเพราเรื่องการภาวนานะการฝึกจิตฝึกใจให้มีสติอยู่เสมอเสมอเนี่ยมันเป็นเป็นบุญรายวันเลยล่ะแต่ละวันเนี่ยมีสติฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับการภาวนาในการใช้ชีวิตเนี่ยมีชีวิตแต่ละวันในเวลาที่ผ่านไปเยก็ให้ใช้แบบพันการภาวนาไปในตัว เราจะตายไปตอนไหนเนี่ยมันก็มันก็นกนจิงก็เป็นกุศลตลอดอฝึกปล่อยวางนี่กนะ็ไดฝึกปล่อยวางทํามาทีเราก็ไม่ยิดบั่นถึงบ้านปล่อยวางอันนี้ก็เป็นกุศลเป็นผลของกุศลที่ทําให้เราไม่ทุกข์ได้คือแต่ละวันเนี่ยอย่าให้เสียเวลาไปพยายามสร้างกุศลอยู่เสมอเสมอเนี่ยจะทำยังไง เนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับเราว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของความตายมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันเนี่ยหรือบางคนก็จะเรินมรณสติไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกรรมฐานที่มีกุศสให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราอยู่อย่างไรเวลาเราตายเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราอยู่ติดที่สะสมกุศลกุศลเสมอๆ ม, มีจิตที่สะสมเรื่องกุศลเรื่องบุญกุศลเรื่องความไม่ทุกข์ เรืการมีสติเส ม, อ เ, สมอเวลาตายเราไม่ต้องไปเรียกหาสิ่งเหล่านี้หรอกกุศลมาสู่จิตใจเราเองโดยอัตโนมัติความไม่ทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในใจเราสติสามัญชัญญยากก็จะเปี่ยมล้นมีสติแบบไม่ลงตายเพราะนั้นอย่ารออย่ารอเวลาตายให้มันดีอยู่ให้มันดีนะ